ทุกของคนเราไม่ว่าจะเพศใดภาษาใดไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ร้อยแันเแค่ไหนจะรวมสรุปอย่างย่อยๆมันก็รวมอยู่ได้ในบทสวดมนต์ที่เราได้สวดทุกเช้าโดยเฉพาะสมข้อนี้คือว่าทุกเพราะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจทุกเพราะพัดพราดจาก สิ่งเป็นที่รักที่พอใจแล้วก็ได้ไม่สมอยากหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นลองดูเธอความทุกข์ของคนเราเราทุกข์เพราะว่าของหายตกงานสูญเสียคนรักเสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้ก็จัดอยู่ว่าพัดพลากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจหรือว่าทุกข์เพราะเจ็บเพราะป่วยทุกข์เพราะแก่ ทุกเพอะถูกต่อว่าทุกตำหนิประสบความล้มเหลวในงานการล้มละลายอันนี้ก็จัดอยู่ในข้อที่2คือว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่เราที่พอใจรวมถึงความตายด้วยหรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วเครียดปฏิบัติธรรมแล้วมันติดชะงักอันนี้ก็จัดอยู่ในข้อนี้คือประสบกับสิ่งไม่เป็นที่เราที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ บางคนแม้จะได้เงินแม้จะถูกหวยแต่ว่ามันได้น้อยกว่าที่คิดอยากจะได้รางวัลที่หนึ่งได้แค่รางวัลที่สองนี่ก็ทุกข์ลวทั้งทั้งที่ก็น่าจะมีความสุขแต่เนื่องจากตั้งความหวังไว้สูงหรือว่าสอบได้เปรดปเกียรตินิยมอันดับสองก็ทุกข์เพราะว่าอยากได้มากกว่า น, นั้น ตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องได้4หรือว่าจะต้องได้เียรติยมอันดับหนึ่งหรือว่าคนที่ได้ความสงบแต่ว่าก็ยังทุกข์เพราะว่าอยากได้มากกว่า น, นั้นก็เลยกระสับกระส่ายบางคนก็มีรูปร่างหน้าตาดีแต่ว่าไปตั้งความหวังว่าจะต้องเป็นแบบดารานางแบบก็ทุกข์เหมือนกันนะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าได้ของที่ดีแล้วจะมีความสุขก็ไม่ใช่ถ้ามันได้ไม่สมอยาก ไม่สมกับที่ตั้งความหวังไว้ก็ทุกข์เหมือนกันความทุกข์ของคนเราทั้งหมดทั้งมวลก็มันหนีไม่พ้นสมข้อนี้ไม่ว่าจะทุกข์เพราะเรื่องรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วคนก็ยังทุกข์เราทุกข์เพราะเรื่องอดีตทุกข์เพราะสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมากมายคนรักก็ตายไปเป็นปีแล้วก็ยังทุกข์ ของหายเป็นเดือนแล้วก็ยังทุกข์หรือบางทียังไม่ทันจะเกิดขึ้นเลยแต่ว่าไปกลัวซะแล้วมีทองมีเพชรมากมายก็นอนไม่หลับเพราะกลัวคนจะขโมยหรือว่าร่างกายก็ปกติดีไปไหนมาไหนได้แต่ก็ทุกข์เพราะว่าคิดถึงความตายแล้วมันเจียวสยองหรือว่าไปหาหมอหมอก็ยังไม่ทันวินิจฉัยเลยว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า ไม่รู้เลยแต่ก็นอนไม่หลับแล้วกลัวว่าถ้าหมอเผยคําวินิจฉัยเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคเออะไรต่างๆไม่ทันจะรู้ว่าเป็นอะไรแน่ก็ทุกเสียแล้วพอตีตนไปก่อนใครอันนี้ก็เริ่กไปยึดติด ก, กับเรื่องที่มันเป็นอนาคตไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงท่านคนเราทุกข์เพราะ2ออย่างนี้มากคือไปหมกมุ่นกับอดีตหรือว่าไปกังวลกับอนาคต บางทีก็ไปร่ห้อยหาในเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ยังอยากจะให้มันกลับหวนกลับคืนมาคิดถึงคนรักนะวันคืนนั้นหวานชื่นก็วนหาอะไรวันนั้นนะก็เลยทําให้เป็นทุกข์เพราะว่าปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแล้วคนเราทุกข์เพราะเรื่องอดีต ก, กับอนาคตมากมันผ่านไปแล้วแล้วก็มันยังมาไม่ถึงแต่ก็ไปจมอยู่กับมันอันนี้สติสําคัญมาก ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เมื่อดึงเรากลับมาสู่ปัจจุบันแล้วก็าจากพะพบว่าเออปัจจุบันมันก็ไม่ได้แย่อะไรแต่พอไปหววหาอลไรกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็เลยทุกอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเพราะเรื่องอดีตอนาคตอย่างเดียวถ้าดูให้ดีมันเป็นเรื่องความยึดติดถือมัน่นยึดติดถือมั่นในสิ่งที่ผ่านไปแล้วยึดติดถือมั่นในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ถ้าดูให้ดีเนี่ย เป็นเพราะมันยังมีความยึดติดอีกอย่างหนงที่ละเอียดมากเป็นพื้นฐานแลว้วก็คือความยึดติดถือว่นว่าเป็นเราเป็นของเราของที่หายถ้ามันไม่ใช่ของเราหรือถ้าเราไม่ยึดมันสาคัญหมายว่าเป็นของเราเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเป็นของคนอื่นหายเอออย่างดีเราก็รู้สึกเห็นใจแต่ไม่ได้ทุกข์อะไรถึงแม้ว่าของนั้นจะเป็นของราคาแพงแค่ไหนเราใครจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนหารนสุดพิมพ์เราก็อยากจะดูด้วยซ้ําว่าเออมีใครตายบ้างอุบัติเหตุ ต้องลงหน้าหนึ่งภาพสีคนอยากรู้ถ้ามันเป็นความตายของคนอื่นแต่ถ้าเป็นความตายของเพื่อนของเราญาติของเราพ่อแม่ของเราลูกของเราเอาเนี่ยและเดือดร้อนทันทีไม่อยากจะเห็นภาพเลยถ้าเป็นภาพของญาติของเราพี่น้องของเราแต่ถ้าเป็นภาพของคนอื่นนี่อยากจะดูนักไปมุงดูกันในความยึดติดถือมาเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นตัวการ ที่แท้จริงที่ทําให้คนเราทุกเวลาประสบเหตุการณ์3อย่างนี้แล้วเนี่ยมันทุกข์ก็เพราะมีตัวเนี่ยไอ้ความยึดติดสือมัน่นหรือความยึดมั่นสําคัญหมายว่าเป็นตัวเราของเร า, าเป็นตัวการเลยและเมื่อเห็นนี่เองเนี่ยเมื่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ต้องอดีตหรืออนาคตนะ่ยอะไรก็ตามที่เกิดเป็นปัจจุบันมันก็ทําให้เราทุกข์ได้เท่าเราไปยึดมั่นนะว่าเป็นเราเป็นของเรา ความเจ็บปวดความเจ็บไข้เมื่อเกิดขึ้นกับเราที่เราทุกข์กันมากๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันป่วยกายเท่านั้นแต่เพราะันป่วยใจด้วยแล้วความปวดใจนี่มันก็รุนแรงสาหัสเพราะว่าไปยึดเอาว่าเมื่อกายป่วยแล้วมันไม่ใช่แค่กายป่วยอย่างเดียวมันไปยึดติดถือมั่นรือว่าเราป่วยกูปว่วยตรงนี้แหละที่ทาให้ใจมันป่วย ด, ด้วย ผู้เจ้าก็เปรียบเหมือนกับว่าพูดถึงผลทั่วๆไปว่าเมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นทุกขเวทนาทางกายเท่านั้นมันก็จะมีความทับแค้นมีความร่ำครวญมีความกระสับกระส่ายที่ใจด้วยเกิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิฆะขึ้นมาความขัดเคืองใจความบีบคั้นใจตรงนี้ท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าเจอธนูนดอกแรกเข้าไปแล้วก็ พันธุดอกที่สองก็ตามมาเกิดทุกขเวทนาทางกายเกิดทุกทรมานทางใจหรือว่าเกิดปฏิฆะพอเกิดปฏิฆาขึ้นมาแล้วก็ต้องหาทางเยียวยาก็ไม่รู้ว่าจะเยียวยาด้วยอะไรก็นึกถึงแต่ว่าการมาสุขจะเยียวยาได้จะลดความทุกข์ได้ก็อย่างที่คนเราเวลาเครียดเวลากลุ้มอกกุมใจก็ไปหาเล่าไปหาการพนันนันหรือไปหาใบายมุกหรืออย่างน้อยก็ไปเที่ยวช้อปปิ้งให้มันสบายใจ ดูหนังฟังเพลงให้สบายใจอันนี้ก็เข้าไปสู่การมารากครับพอเข้าไปเพลินกับมันแล้วก็หลงเลยว่าอันนี้เป็นคําตอบเพื่อความยึดติดถือมั่นหนักขึ้นโมหะก็ตามเข้ามามันเป็นสายเลยเริ่มต้นจากความที่ไม่มีความรู้ทันในทุกคเวทนานั้นมันไปยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเข้าไปทันทีในการที่เราจะไถ่ถอน ตนเองออกจากทุกได้เนี่ยนอกจากการที่จะรู้จักอยู่กับปัจจุบนันไม่เผลอไปสู่อดีตและอนาคตแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเห็นเข้าไปเลยว่าให้ความยึดติดหรือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นตัวการจริงๆและถ้าสามารถาถถอนออกจากความยึดมั่นสำคัญหมายในตัวกูของกูได้เนี่ยมันจะเป็นสุขอย่างแท้จริงไอ้สิ่งที่เรียกว่าความพอใจความไม่พอใจ มันก็จะพันเทาเบาบางไปหรือจนทั้งดับไปคนเรามักจะหาทางป้องกันไม่ให้พัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจหาทางป้องกันไม่ให้ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจสร้างกำแพงหาตู้เซฟมีประกันภัยมีเทคโนโลยีต่างๆนานาชนิดแต่ล้วนแต่เป็นการจัดการข้างนอกทั้งนั้น มันไมไ่จัดการที่ตัวปัญหาจริงๆที่เป็นลักเงาคือว่าให้ความพอใจความไม่พอใจนั่นเองคือถ้ามันมีความปล่อยวางไม่ยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราไอ้ความพอใจความไม่พอใจมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วประสบอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าพัดพากจากสิ่งเป็นที่ลักหรือประสบกับสิ่งไม่เป็นที่ลักเพราะว่ามันไม่มีความลักความอานไลัยตั้งแต่แรกในการเจริญสติเนี่ยมัน นอกจากจะช่วยปลดเปลื้องจิตใจของเราไม่ให้ยึดติดกับเรื่องอดีตอนาคตแล้วเนี่ยหากว่าเราปฏิบัติ โ, ตมมโดยไม่ยึดติดกับความสงบโดยไม่ยึดติดกับการที่จิตมีความปกติอยู่ในปัจจุบันถ้าสตินั้นเป็นการตามเห็นตามเห็นอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเออให้ความรู้สึกนึกคิดที่มันเกาะ ก, กลุ่มในใจเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา การที่จะถ่ายถอนอกจากความยึดมั่นสําคัญหมายว่าเป็นหล่เป็นของหล่เนี่ยมันเริ่มต้นที่ตรงนี้ไม่ใช่เริ่มต้นจากการคิดเราไม่ใช่เริ่มต้นจากการอ่านเอาแล้วก็คิดเราแต่เริ่มต้นจากการที่เราเห็นเห็นจริงๆนะกับกายกับใจกับรูป ก, กับนามเห็นจริงๆ จ, จากไอ้ความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นอีกอันหนึ่งแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่เราก็ไปยึดว่าโอ้ยอันนี้เป็นความคิดของฉัน อันนี้เป็นความโกรธของฉันเวลาเกิดความโกรธขึ้นก็ไปเหมาเอาเลยไปยึดมั่นสำคัญหมายหรือว่าฉันโกรธความเครียดเกิดขึ้นก็ฉันเครียดไปเหมารวมเอาอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทันตั้งตัวความปวดเกิดขึ้นความเมื่อยเกิดขึ้กนกับกายก็ไปเหมาหรือว่าฉันปวดฉันเมื่อยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติดูดูใจ ไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไอ้สามตัวนี้นี่มันต่างกันนะแต่ว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกันความคิดเราอาจจะมักจะคิดเป็นภาพคิดเป็นคาแต่อารมณ์นี่มันเหมือนกับอะไรที่มันมันก็นมเมฆหมอกที่มาคลุมคลุมจิตครองใจเอาไว้ไอ้ความรู้สึกก็อีกตัวหนึ่งที่เราเวทนามันก็เกี่ยวข้องกันเพราะคิดบางอย่างเนี่ยคิดบางเรื่องมันทาให้เกิดอารมณ์ขึ้นมา นึกถึงของที่หายไปก็เกิดความเศร้าเสียดายนึกถึงคนที่เราเกลีย ก, ก็ทําให้เกิดโมโหและไอ้ความโมโหนี่มันก็เป็นทุกขเวทนาอีกแบบหนึ่งมันเป็นโทมนัสมันเป็นสิ่งบีบคั้นใจนะซึ่งทําให้คนเราไม่ชอบหรือว่าพอมีทุกขเวทนาทางกายมันก็เกิดความโมโหขึ้นมามนกเกิดโทสะขึ้นมาคนที่เจ็บปวดเนี่ยเจ็บปว่วยก็จะมีโทสะเวทนาก็ไปปรุงแต่งตัวอารมณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสังขาร ความรู้สึกความนึกคิดมันเป็นสังขาทรที่ว่าเป็นปิตสังขารเวทนาก็เป็นอีกตัวหนึ่งะเวทนานี้มันไม่มีใครหนีพ้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือคนทั่วไปก็ต้องประสบกับทุกขเวทนาแต่ว่าตึงตรงนี้ก็เหมือนคนธรรมดาแต่ว่าตายจากคนธรรมดาตรงที่ว่าคนธรรมดานั้นเนี่ยเมื่อเกิดทุกขเวทนาทางกายแล้วมันปลุงไมเป็นพร ม, ม น, นัดเป็นทุกขเวทนาหรือทุกทรมานทางใจส่วนพระอรหันต์หรือผู้ที่ ฝึกฝนปฏิบัติตนดีแล้วเพราะแค่ทุกขเวทนาทางกายมันไม่ปรุงมันไม่ปรุงเพราะเกิดสติเพราะเกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้เราเจอแค่ธนูดอกเดียวคนธรรมดานี่เจอเข้าไปสองดอกทุกกายได้ทุกใจด้วยแต่ว่าพเกิดจ้าพระอาหารหันต์หรือผู้ที่ปฏิบัติแล้วนี่ก็จะมีแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นมันไม่ปรุงต่อเพราะมีสติมีปัญญาและเห็นเลยว่าเออมันทุกนั้นเนี่ยมันทุกที่กายมันไม่ใช่เราทุกปวด เวทนาปวดมันปวดที่กายมันไม่ใช่เราปวดให้ความยึดมันสำคัญหมายว่าเป็นเราเนี่ยมันเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความทุกข์มากมายพอเรากลัวความเจ็บความป่วยความตายเพราะมันไปยึดว่าไปหลงว่าฉันเจ็บฉันป่วยและฉันต้องตายของหายของเสียก็ไปทุกข์เพราะไปยึดมันสาคัญหมายว่ามันเป็นของฉันเงินของฉันรถของฉันบ้านของฉัน บาดของชั้นจีวรของฉัน้ น, นมันมีตัวนี้เข้าไปและพอไปยูดว่าเป็นของชั้นแล้วเนี่ย้เป็นตัวชั้นหรือเป็นตัวกูมันก็ตามมาอย่างมีคนตนําหนิมีคนบอกว่าบายใบนี้ไม่สวยเลยนะหรือว่ารถคันนี้เก่าแล้วโบราณแล้วความคิดนี้ไม่เข้าท่าเลยพอพูดอย่างนี้เนี่ยหรือพอได้ยินเท่านี้แหละเราก็โกรธเลยเราก็ไม่พอใจ ทันงที่เขาไม่ได้ว่าเราเขาพูดถึงจีวรเขาพูดถึงบาศเขาพูดถึงรถเขาพูดถึงความคิดไม่ได้พูดถึงเราไม่ได้ว่าเราแต่เราก็เดือดเนื้อร้อนใจไปทันทีที่ได้ยินเขาพูดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปยึดว่ามันเป็นของเราพอยึดว่ามันเป็นของเราทีลเรน้นที่เราเน้นมันก็กลายเป็นตัวเราเข้าไปเลยจากของเรากลายเป็นตัวเราว่ารถก็เหมือนกับว่าเราว่าความคิดก็เมือนกับว่าเรา ความยึดติดว่ามันเป็นตัวเราเกิดขึ้นกับสิ่งของทันทีความเป็นตัวเราของเราหรือตัวกูของกูนี่มันมันละเอียดอ่อนมากมันเร็วมากอันนี้ก็ไปรวมถึงร่างกายหรือรูปที่เราคลองอยู่ด้วยแล้วก็ไปยึดว่านี่มันเป็นร่างกายของเราไม่ใช่เท่านั้นเวลาเรามองไปที่กระจกเห็นร่างกายก็ยึดมันสำคัญหมายต่อไปว่ามันเป็นตัวเราร่างกายนี้เป็นของเราร่างกายนี้คือตัวเรามันไปทันทีเลย แล้วเราก็ทุกข์นะเวลามีอะไรมากระทบ ก, กับร่างกายนะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ร่างกายที่ปวดมันเป็นตัวกูที่ปวดมันไม่ใช่ร่างกายที่ถูกตำหนิแต่มันเป็นตัวกูที่ถูกตำหนิไอ้ความสึกเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองพอสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ไปหลงเชื่อแล้วก็อยู่ในอำนาจของมันอันนี้ที่เราโมโหหันที่เรวาวิช า, า, าท่านาจาประมท่านท่านลไว้ดี ท่านพูดถึงว่าตอนที่ท่านเป็นเด็กๆด็อายุเจขวบเล่นไล่จับกันก็มีกติกาว่าใครที่ถ้าจับตัวได้คนที่ถูกจับตัวได้นี่ก็ต้องแพ้ก็ต้องไปไล่ไปตามไล่คนอื่นต่อไปมีครั้นึงท่านก็เป็นฝ่ายถูกไล่เพื่อนก็ไล่จับได้ฟ้าเอวได้ก็ ก, ก็จับตัวได้แล้วท่านก็บอกว่าจับตัวที่ไหนจับเอวต่างหากก็ต้องปล่อยไปแล้วก็วิ่งหนีอีก เพื่อนก็ไล่จับอีกคราวนี้คว้าแขนได้ก็บอกจับตัวได้แล้วท่านก็บอกว่าจับตัวได้ที่ไหนแล้วมันจับแขนต่างหาไม่ว่าจะจับตรงไหนอะจับหัวจับขาพอบอกว่าจับตัวได้แล้วท่านก็บอกไม่ใช่ไม่จับตัวมันจับหัวจับขาต่างหาคือเรื่องนี้เราเนี่ยพอเราอ่นก็เห็นเลยว่าคำว่าตัวเนี่ยตัวเราเนี่ยหรือตัวตนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเราไปจับมือเข้าไปสมมติเป็นเป็นตัวจับหัวก็สมมติเป็นตัว แต่จริงตัวมันไม่มีมันมีแต่ขามันมีแต่มือมันมีแต่หัวมันมีแต่เอวและที่จริงแล้วเนี่ยมันไอ้คําว่าหัวมือขาเอวมันก็สมมุติขึ้นมาอีกเหมือนกันมันเหมือนกับเราสมมติว่าอันนี้เป็นเมืองแต่ดูตัวเมืองมันไม่มีมันมีแต่บ้านหลายๆหลังมาประกอบกันมารวมกันเราก็เรียกว่าสมมุติว่าเรียกว่าเมืองถึงแม้จะติดป้ายว่านี่คือเมืองนั้นเมืองนี้แต่ว่ามันก็เป็นสมมติไอ้ตัว เมืองจริงๆไม่มีมันมันมีแต่บ้านหลายๆหลังมารวมกันรถก็เหมือนกันนะรถนี่มันก็ลองเราไปจับรถเลจับตรงนี้เราก็เลืองมันไม่ใช่รถมันคือล้อจับตรงนี้มันไม่ใช่รถนะมันคือพวงมาลัยจับตรงนี้ไม่ใช่รถอันนี้คือตัวถังมันไม่มีตัวรถแต่เราสมมติเป็นตัวรถขึ้นมาอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องคิดเอาแต่มันเกิดจากการปฏิบัติโดยเฉพาะ การมีสติรู้นะการมีสติรู้มีสติในแต่ละขณะที่เกิดพัฒนาขึ้นมาถ้าไม่มีสติเนี่ยพอหูได้ยินเสียงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ได้ยินเฉยแต่มันเกิดตัวกูขึ้นมาเป็นผู้ได้ยินด้วยเวลาเห็นนี่มันไม่ใช่แค่เหน็นเฉยมันมีตัวกูเป็นผู้เห็นเข้ามาด้วยอันนี้ถ้าไม่มีสติหรือเวลาปวด เวลาเกิดเวทนามันไม่ใช่แค่เวทนาเฉยๆที่เกิดขึ้นแต่มันมีกูเป็นผู้สวยเวทนานั้นเวลามีความอยากนะมันไม่ใช่มีแค่ความอยากเฉยๆหรือตัณหาแต่มันมีตัวกูผู้อยากและพอได้สนองความอยากก็เป็นตัวกูผู้ที่ได้สนองความอยากไอ้ตัวกูจะมาเกิดขึ้นนะโดยเพราะเมื่อมีผัสสะและขาดสติที่เราอาจจะได้เรียนเรื่องปฏิจจสุบบาทกันที่เมื่อกี้สวยกันเอาขั้นแค่ว่าผัสสะเนี่ยเมื่อตา เห็นรูปผู้ดินเสียงเกิดภาษาขึ้นมาธรรมดามก็เกิดเวทนาตามมาเกิดภาษาแล้วก็เกิดเวทนาแต่ถ้าไม่มีสตินะนอกจากมันปรุงเป็นตัวกูผู้เห็นผู้ได้ยินแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปรุงไปเป็นทุกขเวทนาทางใจด้วยเกิดทุกขเวทนาทางใจหรือโทมนาขึ้นมาแล้วคนนี้เกิดอะไรขึ้นก็ตันหาตันหาคือความอยากถ้าสบายก็อยากได้ถ้าไม่สบายก็อยากผลักออกไป ถ้าพออยากแล้วมันก็ต้องคิดแล้วว่าจะได้มาอย่างไงถ้ายังไม่ไดก้ก็ยังต้องคิดแล้วคิดแล้วว่าจะหาทางได้อย่างไงเหมือนกับลับเดินไปนัปป่งสะพัสินค้าเห็นของสวยแล้วอยากได้แต่ไม่ได้มันก็ต้องเก็บเอาไปคิดว่าจะขอแม่ยังไงหรือว่าจะหาทางซื้อมาได้ยังไงอุปทานมันเกิดขึ้นแล้วมันมีความคลุ้นคิดที่ยึดติดที่จะให้ได้แล้วปรุงแต่งเป็นพบจากภพนี่ก็เป็นชาติชาตินี้คือความเกิดแล้วเกิดว่าเป็นตัวกูขึ้นมา พบนี่เหมือนมอนกับท้องแม่ยังไม่ทันเกิดนะคือการทำงานทางใจหรือว่าการพยายามที่จะหาทางทำให้มันมีขึ้นมาให้ได้แต่ถ้าได้ขึ้นมาก็คือว่าอเออกูได้แล้วกูได้แล้วกูเป็นเจ้าของนั้นไอต้ตวนนี่แหละคือชาติพอไม่มีสติขึ้นมาเนี่ยโดยเพราะในขั้นพรรษานี่มก็ตัวกูก็เกิดขึ้นมาเลยปรุงเป็นตัวกูขึ้นมานั้นถเกิดว่าเรามีสติเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยในขั้นที่ว่ามันมีความสึกนกคิดเกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันเห็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นเห็นว่ามันเป็นอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่เรามันเป็นนามที่เกิดขึ้นในใจมันเป็นอาการของใจที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเห็นมันใจไม่เข้าไปยึดมันก็ไม่ใช่เป็นใจที่ทุกข์มันเป็นอีกอันหนึ่งที่ใจเป็นผู้รับรู้หรือที่จิตเป็นผู้รับรู้อันนี้มันก็จะเกิดการแยกออกเป็นส่วนๆวนๆไม่ได้ยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่ายึดติดเป็น เป็นตังเมเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนปวดนี่ใจปวดด้วยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันแยกออกห่างจากกันการแยกออกห่างจากการก็จะทําให้เห็นแล้วเออมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ความยึดการปรุงว่าเป็นเราโกรธเป็นเรา เ, เราครียดเป็นเราเมโมโหเนี่มันก็สลายไปมันไม่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ก็เรียกว่าภพชาติไม่เกิดขึ้นแต่มันเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะว่าเราไม่ได้มีสติต่อเนื่อง เรมีสติปั๊บเดียวเดียวก็หายไปแล้วพอหายไปมันก็ไปหลงดิบเข้ามาใหม่ว่าเป็นตัวกูของกูกูเครียดกูคิดกูครุ่นแต่พอมีสติปุ๊บเอา้ามันก็หลุดไปพอมีสติเนี่ยไม่ใช่แค่เวลาเกิดความสุกนึกคิดเท่านั้นแต่เวลาเกิดผัสสะขึ้นมาได้ยินได้ฟังได้เห็นเนี่ยมีสติเนี่ยไอ้ตัวกูมันก็ไม่ปรุงแต่งด้วยเหมือนกันนะถ้าผัสสะประกอบไปด้ยวยสติแล้วเนี่ยมันไม่ปรุงไปเป็นตันหาอุปท า, านภพชาติมันหยุดท่านนั้นเอง หรือมันก็มีแต่เวทนาที่เป็นเวทนาทางกายเท่านั้นเพราะั้นสตินี้มันเป็นตัวรื้อถอนไอ้ความยึดติดถือมั่นในตัวตนที่วิเศษมากอันนี้พระเจ้าก็เคยสอนพะหิยะพะหิยะนี่เป็นคนที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นอรหันต์เป็นผู้วิเศษแต่ตอนหลังพบว่าตัวเองนี่ไม่ใช่พระอรหรันต์แท้นี่มีอยู่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอรู้เขาว่าพระพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ รีบรุดไปหาพระองค์เลยเดินเป็นวันเป็นคืนเรืยะทางเป็น100ยกิโลเมตรเดินไม่ได้หยุดเลยนะจนกระทั่งตอนเช้านีา้ก็ไปถึงก็ไปพบพระเจ้านี่กาลังบินทบานอยู่พิยักก็เข้าไปก็ด้วยความอยากจะรู้ธรรมมากก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์แสดงธรรมกลางถนนเลยพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่เวลาพิยักก็ยังยืนกลาญขอให้พระองค์แสดงธรรมอีกพ ร, พระองค์ปฏิเสธถึงสามครั้ง ในสุดก็แสดงธรรมให้พยะฟังอาจจะเป็นเพราะว่าพญายะเริ่มจะใจสงบแล้วตอนที่มาคุณขอเรียกว่าอาจจะยังร้อนนะยังมีไฟร้อนลนอยู่ถ้าแสดงธรรมไปก็คงจะไม่ได้ผลเพราะพญายาเริ่มเย็นแล้วคุณก็แสดงธรรมแสดงธรรมสั้นๆ น, นะว่าเมื่อเห็นรูปเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิน่นได้ลิ้มก็สักต่ว่าลิ้มรสเมื่อสัมผัสก็สักต่ว่าสัมผัส เมื่อธรรมารลเกิดขึ้นในใจก็สักแต่ว่ารู้ในธรรมารลมนั้นเธอท่านก็ตัดต่อไปว่าเมื่อนั้นเธอจะไม่มีเมื่อใดที่เธอไม่มีเธอก็จะไม่ปรากฏทั้งในโลกนี้โลกน้าแล้วก็ในโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกคือนิพพานให้สังเกตว่าพอถ้าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่ารับรู้ผัสสะนั้นเนี่ยตัวเธอจะไม่มีก็หมายความว่าความยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวกูมันก็ไม่มี เมื่อไม่มีแล้วเนี่ยก็เรียกว่าไม่เลื่อนหลุดจากโลกนี้ไปเลยไม่มีไม่ปรากฏทั้งในโลกนี้โลกนาแล้วโลกทั้งสองหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารไปได้เรียกว่าการมีสติเนี่ยมันเป็นอุบายมันเป็นวิธีสลายตัวตนได้ได้อย่างวิเศษเรียกว่ารูอ้อถอนไปเล ย, ยาการมีสติเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งสําคัญมากที่ไม่เพียงแต่ทําให้เรา มีความสงบเพราะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกในคิดใดๆมารบกวนเพราะรู้จักปล่อยรู้จักวางเท่านั้นแต่ว่ามันสามารถทําให้เราวางคลายหรือว่าลื้อถอนออกจากความยึดมันสําคัญหมายในตัวกูของกูได้แต่ว่าตัวกวงกุมก็ละเอียดนะเพราะว่าเราไปยึดติดในสิ่งต่างๆแม้ว่าเราจะบอกเออสรัพสมบัติไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของเราแต่ว่ามันก็ไปเผยยึดต่างๆอะไรต่างๆเข้ามาเป็นตัวเราได้ตลอดเวลา จระทังไปยึดว่านิพพานเป็นตัวตนหรือเป็นสิ่งที่สามารถจะมาเป็นเราเป็นของเราได้บางคนก็ละวางขันท่าได้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ไปยึดเอานิพพานเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนก็มีอย่างบางสำนักก็ไปยึดติวานิพพานเป็นตัวตนนิพพานเป็นอัตตาอันนี้มันละเอียดอ่อนมากซึ่งเจ้าคนที่ไม่ได้ฝึกให้เกิดสติปัญญาเต็มรอบเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเห็นตรงนี้ได้หน้าที่ของเราคือต้องปฏิบัติไป มืปฏิบัติอย่างน้อยก็ให้มีให้เห็นให้ตามเห็นความรู้สึกและคิดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อใดที่เราเห็นจิตมันก็จะว่างว่างในที่นี้มายถึงว่างจากความยึดติดถือมันในตัวกูของกูอั้ที่ท่าจารพุทธาบอกจิตว่างจิตว่างในคือนนี้แต่มันไม่ได้ว่างตลอดนะสำหรับปุถุชนก็ว่างเป็นครั้งคราวมีสติปุ๊บมันก็ว่างจากตัวกูของกูนะมันก็ว่างจากกิเลสหรือ อาจจะมีกิเลสแต่ก็เห็นว่ากิเลสนะั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวกูของกูไม่ใช่ว่ามันจะต้องว่างว่างมีความหมายว่าเย็นเง็งไม่ใช่แต่ว่ามันว่างจากตัวกูของกูเห็นความโกรธพอเห็นความโกรธด้วยสติไอ้ความยึดว่าเราโกรธกูโกรธความโกรธของกูมันก็หมดไปอันนี้คือเราจิตว่างถ้าท่านเห็นอย่างนี้มากๆเขาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเออแม้แต่สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดสิ่งที่เราเชืว่าเป็นเราคือความสุนในคิดมันก็ยังไม่ใช่เรา ได้เข้าของสิ่งของต่างๆนี่มันจะเป็นเราได้อย่างไรถ้าความวางคลายมันก็ค่อยเกิดขึ้นกับสิ่งภายนอกด้วยหรือเวลาที่มีความเผลอว่าจะเมันเป็นของเรามันจะก็มีสติปัญญาคอยเตือนนะว่าไอ้นี่เราเผลอไปแล้วนี่เราหลงไปแล้วแต่ก็ต้องระวงังนไอ้บางทีที่เล่นก็เอาเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เอาเรื่องจิตว่างเอาเรื่องปล่อยวางเอาเรื่องก า, งางไม่มีตัวกูของกูนี่มา มาหลอกหรือมาใช้ประโยชน์เพื่อสนองกิเลสได้อย่างมีคราวหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่วัดยังไม่มีการสร้างกำแพงมักจะมีคนจากที่ไหนไม่รู้มามาตัดสมุนไพรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยดูก็มีคราวนี้ก็มีคนมาบอกมีคนมาตัดสมุนไพรเพมาตัดไปขายก็เลยบอกให้พระนี่ช่วยกันไปดูหน่อยว่าใครมาตัดคือถ้าเขาเห็นว่ามีคนรู้มีคนดูเขาก็จะหนีไป เราต้องทําให้เขารู้สึกว่าทางวั น, นมีคนดูแลใจใสแม้แต่จะเป็นปา่าก็มีพระลูน ก, ก็ไปดูไปตามไปไล่คนที่มาตัดไม่ได้ไล่แบบดา่าๆนะก็คือบอกเขาให้ว่าให้รู้ว่ามันเป็นเขตอภัยทาน ม, มีพระลูปหนึ่งท่านก็ไม่ไปอาจานถ้ท่านว่าทำไมไม่ไปท่านบอก ว, ว่าปล่อยวางปล่อยวางคือปล่อยวางว่านี่ไม่ใช่ป่าของเราไม่ใช่ป่าของเราเพราะนั้นก็เลยไม่ไปไล่ อันนี้ยังแสดงว่ายัางเข้าใจผิดยังเข้าใจผิดคือท่านตั้งใจจะปฏิบัติท่านก็เลยปล่อยวางเรื่องพวกนี้คือเราดูแลป่านี่ไม่ใช่เพราะว่าป่านี่เป็นของเราหรือไม่ใช่เพราะยึดติดว่าเป็นของเราแต่เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลจะเรียกเป็นการตอบแทนบุญคุณเขากันได้ป่าเขาดูแลแลราเราก็ช่วยดูแลเขาหรือจะทํำด้วยเมตตาต่อต่ออนุชนรุ่นหลังก็ได้ว่าให้ให้อนุชนรุ่นหลังก็ได้มีป่า ได้รู้วาครั้งหนึ่งป่ามันเป็นยังไงไม่ใช่ว่านึกภาพป่าไม่ออกอย่างน้อยป่าก็เป็นที่ที่เอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเรารักษา ป, ป่าไว้ได้ชนรุ่นหลังเขาก็สามารถจะมามีที่ปฏิบัติแต่ว่าถ้ารูปนี้ท่านเข้าใจปล่อยวางไม่ถูกต้องซุนิทิมก็เป็นอุบาของกิเลสที่มันอาเหตุผลขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทํามันนั้นท่านก็อาจจะติดใจเรื่องการปฏิบัติธรรมก็อยายจะปฏิบัติธรรมแต่ว่า อาจจะเป็นการติดสงบไปก็เลยไม่อยากจะรับผาลาญการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เป็นเรื่องว่าต้องอยู่ในตนะิการทําหน้าที่มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ฝึกสติได้ลองสังเกตความไม่ชอบที่มันเกิดขึ้นเวลาต้องไปทํางานเวลาต้องออกจากกุฏิมันไม่ชอบมันไม่พอใจต้องเห็นมันไม่ใช่ให้มันครอบเราเวลามันอ้างเหตุผลว่าเอ้ยอย่าไปเลยนะเราก็ต้องเห็นมัน รู้ทันเหตุผลรู้ทันความคิดที่มันหลอกล่อเราถ้าเราไม่รู้ทันการปฏิบัติก็ไม่เจริญก้าวหน้านักเรียมันฉลาดนะวันนี้มีเด็กคนหนึ่งนี่แม่ของเด็กเขาไลฟ์ฟังเด็กคนนี้ชื่อเต้นอายุสัก 10- 1สิบได้วันนึงนั่งรถโรงเรียนมากลับบ้านแล้วก็สังเกตว่าเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยถูกเพื่อนแกล้เพื่อนมันแกล้ใหญ่เลยเขาซึ่งเป็นนักเรียนโตกว่าก็เลยบอกให้เด็กคนนั้นหยุด ไอเด็กคนนั้นก็ไม่หยุันก็ยังแกล้งเพื่อนต่อเขาทำยัางานเด็กคนนี้ชื่อเต็นก็เลยเอามือเนี่ยฟาดหัวเด็กฟาดอย่างแรงเลยจนเด็กร้องไห้เพราะว่าตอนที่ฟาดเนี่ในฝ่ามือนี่ก็มีกระเป๋าเงินอยู่ด้วยหรือกระเป๋าเงินพอฟาดบบมันก็ปวดเด็กก็ร้องไห้เต็นก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดก็มาถึงบ้านก็ซึมแม่สงสัยว่าเด็กเป็นอะไรนะลูกเป็นอะไร ก็เลยถามว่าเต้นบอกมันะว่าทําอะไรแม่นี่รู้แก้วเต้นก็เลยสารภาพว่าแต่สารภาพอันนี้ว่าแม่ผมไม่นึกเลยว่าไอ้มือข้างนี้เนี่ยมันจะตบหัวเด็กจนร้องไห้ได้เพราะใชว่ามือข้างนี้แทนที่จะบอกว่าแม่ไม่น่าเชื่อว่าเต้นนี่ตบเด็กจนร้องไห้ได้แต่บอกว่ามือข้างนี้มันก็เป็นปฏิเสธความรับผิดชอบว่าไม่ใช่ฉันที่ตกแต่เป็นมือที่ตก อันนี้ก็เป็นการไม่ยึดติดถือมันอีกแบบหนึ่งนะคือมองว่ามือนี่ไม่ใช่เราแต่เป็นการมองโดยอุบายของกิเลสนะกิเลสมันไม่ต้องการรับผิดชอบว่าฉันตกเด็กก็เลยโยนให้เป็นเรื่องของมือไปอันนี้เราพวกเราก็อย่าทาแบบนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นี่ต่อไปมันก็วุ่นวายเวลายิงใครตายหรือเวลาฆ่าใครเนี่ยด้วยมีดเขาบอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้ทํากระสุนปืนมันฆ่าเขาเองหรือมีดมันฆ่าเขาเอง อันนี้ก็เป็นการปล่อยวางแบบอันตถานไม่รับผิดชอบต้องระวังการไม่ยึดติดถือมั่นแบบพุทธเนี่ยมันปนละอานกับการไม่รับผิดชอบอันนั้นไม่ใชเป็นลูกไม้ของกิเลสที่เราต้องระวัง